ของจีนนะครับนะเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วนาะยกรีแล ะ, อะเอกอัคราชาชทูตจีนไปรับนะที่สนามบินนะครับเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนะกะ็ถือว่าเป็นวัคซีนนะครับทั้งอของจีนนะครับนะมาเราก็จะมีการแจกจ่ายไปบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรืออาจจะเป็นในส่วนของ บุคลากรข อ, องทางการนะครับที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงนะเป้าหมายคงจะเป็นเน้นที่นะพื้นที่สีแดงก่อนนะครับนะแถวสมุทรสาคร น, นะครับนะ ท, ที่มีผู้ติดนะเชื้อมากนะครับแล้วก็จังหวัดรอบรอบนอกนะครับนะ ท, ที่ประสบ ป, ปัญหานละครับกรุงเทพมหานครแลประ ป, ร, ะป ร, ะริมณฑลน่แหละครับนะเป็นหลักนะ ก, ก, ก็จะเน้นตรงนี้นะครับนะ ก, ก็ต้อ ง, ต, องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายวัคซีน นะครับนะซึ่งเป็นกระแสข่าวกันอยู่นะครับนะที่เมื่อวานที่ผ่านมาแล้วนอกจากนี้นะยังมีกระแสข่าวที่นะ่าสนใจก็คือคําตัดสินนะครับของศาลนะครับเขาเรียกว่าคําตัดสินที่อายการฝ่ายคดีพิเศษนะฟ้องนะครับนะต่อต่อศาลนะครับนะก็กรณีคดีกปปอปปส์นะที่เรารู้จักกันดีศาลก็มีการอ่านคําตัดสินกันเมื่อ วันที่24กุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งจากผลการตัดสินเนี่ยมีการตัดสินลงโทษจำคุกนะครับแกนนำของกปปสหลายคนนะครับมีผู้ต้องคดีในประมาณ39คนเนี่ยแต่ว่าแกนนำจำนวนหนึ่งนะนำโดยคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับแล้วก็แกนนำคนอื่นถูกจัดตัดสินจำคุกแต่ที่สำคัญก็คือมีมีรมัฐมนตรี3ท่านนะครับนะ ท, ที่อยู่ในแกนนำ ก็ปปสถูกตัดสินจำคุกไปด้วยทําให้สถานภาพของรัฐมนตรีสิ้นสุดนะสาสาท่านนะครับนะคุณพุทธิพงศ์อ่าแล้วก็มีนะฮะคุณนัฐพล น, นะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีมีรัฐมนตรีอยู่สามท่านแหะครับที่ที่ที่โดนนะมีคุณนัฐพงศ์มีคุณพุทธิพงศ์มีคุณถาวรนะเสนี่ยมนะซึ่งเป็นรัฐมนตรีคุณนัฐพล น, นี่เป็นรัฐมนตรีว่ า, าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์ รัฐมนตรีว่าการากระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็มีคุณทาววอนเส น, เนียมเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับทั้งสามท่านนี้ผลจากการตั ด, ตดสินข อ, ของศาลนี่ทให้ผลสภาพขอ ง, ของรัฐมนตรีก็จะนำไปสู่การปรับคอรอมอนะครับนะในส่วนของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขออยาคงจะต้องคัดเลือกนะในส่วนของสมาชิก สอสอเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีต่อไปซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของของรัฐธรรมนูนแหะครับนะของรัฐธรรมนูญนะครับเพราะชนะนิตตรงนี้นี่คงจะต้องดูแล้วก็แล้วก็มีการตัดสิทธิ์การเมืองของแกนนาอี ก, อ, กอีกหลายคนนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็คงจะต้องก็จะต้องดูนะครับว่าควาว่ามีการตัดสิทธิ์การเมืองคื อ, อการตัดสิทธิ์การเมืองนี่จะทําให้หลายคนนิสมัครเป็น ตำแหน่งนายกเทศมนตรีในระดับท้องถินนะ่นนายกอบจอรวมทั้งนายกกรทมไม่ได้ไม่ได้นะซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลก็คือคุณทยาซึ่งเป็นภรรยาของคุณนัฐพนะทีปสุวรรณเนี่ยซึ่งมีข่าวว่าจะลงสมัครนายกนะผู้ว่ากทมนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะสมัครไม่ได้นะครับที่จะแข่งกับเป็นตัวแทนนะพรรคพลังประชารัฐนะที่ กดที่จะแข่งกับพลตุลเอกจากทิพนะครับนะซึ่งตรงนี้ก็จะทําทให้ลงสมัครไม่ได้นะื อ, อเกมทังเรื่องของอเขาเรียกว่าบรรยากาศทางการเมืองเนี่ยกจ็จะเปลี่ยนกันไปมากนะครับผลผลจากคาตัดสินดังกล่าวนะครับซึ่งก็ต้องดูนะครับนะว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้นี่ก็คงจะต้องดูนะครับในส่วนของศาลชั้นต้นนี่ก็นะครับนะที่ในส่วนของผู้ ต้องหานี่ยก็ยื่นประกันตัวสารชั้นต้นส่งเรื่องให้สารอุทธรณนะ์ทำให้หลายท่านที่เป็นการ น, นํานี่ก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำในหนึ่งคืนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเพราะตรงนี้คงจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของคดีความนะต่างต่างเหล่านี้นะครับนะซึ่งก็มีรายละเอียดหี่ก็หาดูตามตามสื่อได้เหมือนกันนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของคำพิพากษานะครับนะซึ่ง ตรงนี้นี่ก็ก็คงจะต้องต้องดูนะครับนะเพราะว่ามีมีเรื่องดีราวกันกันหลากหลายส่วนเลยทีเดียวนะครับซึ่งผลผลจากตรงนี้ก็คงจะนำไปสู่กันตับคอรมอนะซึ่งก็เป็นจังหวะทีะ่ในส่วนของรัฐบาลที่ถูกอภิปรายไม่ว่างใจจากฝ่ายค้านนะครับนะซึ่งก็มีข้อมูลมาอภิปรายกันมากนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลลึกนะก็ ก, ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าหลังจากการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยก็จะมีการปรับคอรอมอรซึ่งหลายคนคาดการว่าจะมีการปรับประมาณเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าผลจากการคําตัดสินของคดีของกบพศนี่ก็จะทําให้การปรับคอรอมอรนี่จะเร็วขึ้นนะครับนะอาจจะภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีการปรับค อ, อมอกันนะครับซึ่งตรงนี้คงจะต้อง ติดตามดูนะครับนะไรายละเอียดอะไรต่างๆกันรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 แค่คิดให้ผ่านทุกปัน่นวอนพ่อให้ช่วยบาป ท, ที่เครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความโศยพานะที่ยังลมมป่วยพ่อรวยโปรดช่วยที่ นโมสามจบต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อนิมนต์เรียนชนะจนขึ้นขอสวมเล็ดพันล้านที่ข้อมือขวาปัดเบาพามจนวอนพ่อช่วยดลให้คนเมตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบางนั้นให้สมคำว่าสิทธิหลวงพ่อรู้ ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านทุกวันวอนพ่อให้ช่วย mm hmm. บาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความโศยทานะที่ยังลมป่วยพ่อรวย รอช่วยนาทางมาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงที่ผ่านมาในวัคซีนนะครับนะที่มาถึงรดแรก นะครับนะเมื่อวานนี้วันที่24กลุ่กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับในอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรรัฐมนตรีสาธารณสุขก็บอกว่าเป็นวัคซีนซีโนแวคจากจีนนะส่งมา2 0 0แสนโดดนะครับนะแล้วก็ในเดือนมีนาคมก็จะได้อีก8 0 0แสนโดสส่วนเดือนเมษายนก็จะได้อีก1ล้านโดดนะครับซึ่งก็จะทำให้ เพียงพอนะความต้องการของของทุกฝ่ายและนอกจากนี้เนี่ยวันที่ยีบสี่เนี่ยตอนบ่ายเนี่ยจะมีได้มีวัคซีนส่งมา จ, จากบริษัทเอสตาเซนิกา้านะครับมาถึงประเทศไทยอีกประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเะจ็ดพันโดสนะทั้งหมดนี่ก็จะไปเก็บไว้ที่คลังสีเพชรที่จังหวัดสมุทรปราการเพราะว่าจะต้องเก็บใน ห้องควบคุมอุณหภูมินะก็วัคซีนเหล่า น, นี้ก็จะต้องอยู่ในอุณหภูมิเย็นนะครับนะที่มีความเย็นสูงนะครับเพราะตรงนี้นี่ก็จะมีการแจกจ่ายมีการทยอยฉีดนะครับนะต่อประชาชนนะครับและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพราตรงนี้นี่ก็คงอาจจะต้องดูนะครับนะ่ดูว่าว่าเป็นยังมีการแจกจ่ายอะไรต่างๆของของวัคซีนเนี่ยนะครับในมีขั้นมีตอน นะครับกันต่อไปนะครับนะในช่วงนี้เนี่ยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอประชาช น, นมารับสิทธิโครงการเราชนะนะแล้วก็มีประเด็นกันมากมายนะตามสื่อมวลชนมาดูรายละเอียดนะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตรุ่มในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะซึ่งเป็นโฆษ ก, กระทรวงการคลังก็บอกว่าวันที่25อ่า กระทรวงการคลังจะโอนนะครับสิทธินะ์งวดที่2จํจำนวน 1,000 บาทให้กับประชาชนที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับนะซึ่งเข้าโครงการเราชนะนี่นะครับนะแล้วก็ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นคุณสมัติเบื้องต้นนะก็จ ะ, ะมีการใช้สิทธินะ์โครงการเราชนะเนี่ยมีคนเข้าร่วมในโครงการประมาณ15ล้าน4แสนคน 1นละ้าน4แสนะครับก็จำนวนมากเลยทีเดียวนะแล้วก็มีการวันที่26จะมีการโอนงวดที่4อีกนะจำนวนหกจบหาบางครั้งก็700รให้กับประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะประมาณจำนวน13ล้าน7แสนคนนะเพราะฉะนั้นรวมมีผู้อยู่ใช้สิทธิ์ในโครงการเราชนะทั้งสิ้นประมาณ29ล้านนะครับล้านแสนคน นะก็จะทำให้เกิดมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนนะในระบบเศรษฐกิจของไทยประมาณ4ี่0มืสาพันล้านนะว่าอย่างนั้นนะครับนะจากร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมีล้านค้ารายย่อยมันจะเป็นนะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแหละครับประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนรายนะครับแล้วก็บอกว่าจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสูงสุด5จังหวัด ก็ได้แก่กรุงเทพแลวก็นะครราชสีมาและก็อุบลขอนแก่นเชียงใหม่ก็เป็นเมืองใหญ่แล้วครับเมืองใหญ่ในลาดับต้นๆของเมืองไทยก็ใช้จ่ายกันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ประชาชนนะครับนะก็จ ะ, ะได้เงินกันไปแต่ว่าก็ยังเห็นมีมีภาพที่บรรดาผู้สูงอายุนะตายายเนี่ยนะครับนะที่เข้าไม่ถึง โครงการบางคนก็ไม่มีมือถือบางคนมีมือถือรุ่นเก่าเนี่ยต้องมารอนะครับมาเข้าคิวกันอยู่ที่หน้าธนาคารกรุงไทยและธนาคารอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพื่อรอนะยืนยันสิทธิ์นะก็ต้องให้ลูกหลานได้ช่วยเหลือบางคนเนี่ยนะมาก็ต้องมานอนรอกันนะครับมีคิวนะครับนะนะ ก, ก็เห็นคนแก่นะครับมนาะนะครับมาเฝ้ากันอยู่ที่ ในส่วนของธนาคารก็จะเห็นมีคิวนะครับมีคนจำนวนมากเลยทีเดียวก็เห็นว่าคนไทยและนี่ยากจนกันมากนะมีปัญหากันมากก็ จ, จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีที่จะมีการอามอบเงินหรือไม่นะอาจจะต้องจ่ายผ่านาทางผู้นำชุมชนหรือไม่ในซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ต้องคบคิดแล้วครับนะก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับเนเพราะเกี่ยวกับเรื่องของระบบการ จ่ายเงินชดเชยเนี่ยก็เป็นระบบที่ในหลายๆประเทศนี่ก็บางครั้งก็ให้เป็นเช็คเป็นอะไรต่างๆแล้วโบางคนส่วนใหญ่นี่จะโอนเข้าบัญชีนะของแต่ละคนนะมีบัญชีอยู่ที่แบงก์อยู่แล้วนะก็จะโอนเข้าบัญชีกันเลยนะก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรปับปรุงแก้ไขในสภาวะที่สังคมตอนนี้เราเจอกับปัญหาภัยโควิดนะหลายทีเนี่ยมากนะครับนะเพราะในเศรษฐกิจก็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 บอกข้อส้ติดเครื่องชะลอจะจากอุบลเลี้ยวลัางยังเห็นหน้ามองคนสวยแฟนพี่โบกไหอไหว้ที่ลาคนเดิมบ่อน้ำคงเจอกันใหม่ยังคิดถึงแกงหน่อไม้ใส่กุจีน้อยพี่มือเนื้อทอ้อ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 กะลาบ้านเช้าเมื่อกลางเดือนสีจำบ่ลืมเลยแม่คนดีวันน้องกับพี่สุขใจอ้อนซออสัญญาฟังมู่ว่าเฮาหากกันแน่นอนวันนี้พี่ต้องจากกอักใจอำลาไปหาเงินฟอกโบกมื่อย้อย น่องสัอยฝากความอาลัยดังเมืองมีความงอกใจสะท้อนสวงในให้หวงอาวที่ลาคนเดิ้ลลาเดินแม่คนต่างหงอหลับตาสวงพี่สะท้อนอพ่อผ่อนรัก าน้องสำอ่อีฝากความอาัยดังเมืองมีความนอกใจสะท้อนสวงในให้ห่วงอาวอที่ลาคนเดินลาเดินแม่คนตาองอลับตาสวงที่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 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเตรียมพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมต่อเนื่องวันที่สองอีกสักครู่ระมาติดตามรายละเอียดค่ะ ก่อนลักลอบพาต่างดาวเข้าประเทศหรือช่วยหลบหนีช่วงโควิด -19 นี้ต้องคิดให้ดีมีโทษหนักผิดกฎหมายถึง3ฉบับฉบับที่1พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองฉบับที่สองพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและฉบับที่สพระราชบัญญัตออิโรคติดต่อสําหรับคนที่ช่วยหลบหนีให้ ท, ที่อยู่อาศัยยิ่งมีโทษหนักจําคุกไม่เกินสิปีปรับไม่เกิน 10,000 แบาทหากฝ่าฝืนโทษหนักทั้งจําทั้งปรับ สวัสดีเมืองไทยช่วงนี้เราไม่ได้เจอกันเลยเนะสบายดีใช่ไหมได้ข่าวว่าเธอสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลย